เมื่อซึนแด้ไปพูดที่โรงพยาบาลเลยแล้วก่อนที่จะถึงเวลาบรรยายก็มีหมอกรงพยาบาลหลายคนมาคุยด้วยหมอก็ก็พูดปารบว่า เดี๋ยวนี้นะการเป็นหมอมันเป็นยากขึ้นหมอที่เป็นรุ่นใหม่ๆ ม, มีความท้อนะในการปฏิบัติหน้าที่แลคนที่เป็นหมอที่อาวุโสก็ต้องพยายามที่จะชักชวน ให้กำลังใจเพื่อให้อยู่ต่อเพราะว่าหลายคนก็อยากจะลาออกที่มันเป็นเหตุผลที่ทำให้หมอหลายคนไม่อยากรับราชการเหตุผลก็เยอะนะแต่ว่าสำคัญก็คื อ, อกลัวถูกฟ้อง เดี๋ยวนี้มีการฟ้องหมอมากขึ้นคือลําพังเนี่ยไม่มีการถึงแม้ไม่มีการถูกฟ้องนี่หมอก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานเยอะคนไข้มากต้องอยู่เวรอยู่ประจําภารางงานเยอะก็เหนื่อยค่าตอบแทนก็น้อยน้อยนี่ก็คือเมื่อเทียบกับ หมอเอกชนนะหมอในโรงพยาบาลเอกชนนี่สมัยก่อน <c oughs> หมอโรงพยาบาลเอกชนมีน้อยนะให้การเปรียบเทียบว่าคงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนเยอะแล้วก็เป็นโรงงานอย่างดีค่าตอบแทนสูงงานก็ไม่มากพอเกิดการเปรียบเทียบนี่ความรู้สึกว่า ไม่พึงพอใจในการรับราชการก็มากขึ้นแต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้ท้อคือเรื่องของการถูกฟ้องนะก็มีโดยเฉาะที่โรงกยาบาเมืองเลยนี่ก็เพิ่งมีข่าวใหญ่ก็คือว่าสารดีกาเขาก็ ตัดสิงคดีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่โรงแรมเลยคนะดีนี้ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นมาันงสิบสองปีมาแล้วแต่ว่าเพิ่งคดีมันเพิ่งสิ้นสุดนะชันสานดีกาก็เมื่อสองเดือนที่แล้วมั้งคดีนี้ก็ตัดสืนหมอผิดนะนะเรื่องของเรื่องคือว่า เด็กอายุห้าขวบมาด้วยกะด้วยเรียกว่าเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงแล้วก็เป็นมาหลายวันหมอก็หาสาเหตุไม่พบดูเอ็กซเรย์ก็ไม่เจออะไรที่ทำให้หาสาเหตุได้ต่อหลังถึงมาพบ ว, ว่าหมอ หมอในโราบเองก็มาพบว่าเป็นปอดบวมนเป็นไม่ปอดบวมทีบีวรนนโรเป็นวันนโรแต่ว่าเด็กก็เป็นมานานแล้วหมอไม่สามารถจะรักษาใด้ทันท่วงทีไปเลยอาการก็เลยลุกลาม เด็กไม่ตายแต่ว่าก็ก็เกิดผลกระทบเขาจะว่าทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมาก็เลยพ่อก็เลยฟ้องศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัย แต่สุดท้ายสารดีกลว่าหมอผิดเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าไอตอนที่ดูเอ็กซเรย์ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหมอสารก็บอกเนี่ยควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญก็คือรังสีแพทย์เนี่ยมาดูไม่ใช่หมอเด็ก น, น, นถ้าเกิดว่าถ้าลงพยาบาลให้รังสีแพทย์ ด, ดูนะก็จะ พบว่าพบโดยรวดเร็วร ว, ว่าเด็กเป็นวัณโรคนั้นสารดีกาก็เลยตัดสินว่าหมอผิดอันนี้ก็เกิดแรงกระเพื่อมอย่างแรงในหมู่หมอนะั่ไม่ใช่หมอโรงพยาบาลเล ย, ยเดียวหมอทั่ๆไปก็สึกว่าเนี่ยไอ้ตัดสินแบบนี้มันตัดสินไม่ถูกเลย เพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญสักคนปกติเวลาดูเอ็กซเรย์เนี่ยก็เป็นหมอทั่วไปอะเรียกหมอหมอเรียกแพทย์ไม่ใช่หมอเปหมอเฉพาะทางโรงพยาบาลอะไอำเภอที่หมอเฉพาะทางมีน้อยยิ่งหมอที่เฉพาะทางด้านเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยไม่มีเลย ถ้าสารตัดสินแนี้มันก็เป็นมันก็เป็นนั่นแหละเป็นมาตรฐานเลยว่าต่อไปนี้จะต้องจะให้ดูเอ็กซเรย์ต้องให้หมอที่จบด้านที่เรียนมาด้านการเอ็กซเรย์โดยตรงมาดูมันก็ทำให้หมอในโรงแามต่างนี่มีความไม่พอใจมากว่า้ต่อไปนี้เนี่ยจะมีใครนะกล้าดูกล้าดูฟีมเอ็กซ์เรย์ของคนไข้ ทุกคนก็จะโอนจะโยนไปให้หมอรังสีแพทย์มาดูซึ่งก็หมายความว่าโรงพยาบาลอำเภอก็จะไม่มีใครดูแล้วไม่กล้าดูกลัวดูแลถูกฟ้องเพราะว่าไม่ใช่รังสีแพทย์อันนี้มันก่อผลกระทบกระเทือนต่อไอาการรักษาของโรงพยาบาลมาก หมอที่เขาไม่ใช่หมอหมอทั่วๆไปต่อตอนหลังก็เริ่มไม่มั่นใจว่าทําอะไรจะถูกฟ้องหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองไม่ได้คู้เชี่ยวชาญอันนี้เป็นประเด็นที่ที่จริงก่อนก่อนที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวคดีนี้ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาออกมานี่มันมันก็ หมอจนวนมากก็มีความไม่สบายใจอยู่แล้วกลัวถูกฟ้องซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากในด้านหนึ่งว่าสะท้อนให้เห็นว่าคนทั่วไปนี้ไม่มีความศรัทธาหรือไม่มีความไว้วางใจในตัวหมอหรือผู้ให่นีคือว่าภาพเพื่อของหมอตอนนี้ก็เสียยำแย่ลง แต่ก่อนนี่คนก็มีความศรัทธาในตัวหมอถึงแม้ว่าคนไข้จะลงเอยด้วยความตายหรือว่าพิการที่ญาติพี่น้องก็ยอมรับได้เพราะว่ามีความศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าหมอก็าทำเต็มที่แล้วแต่ตอนหลัมันมีกรณีมากมายที่ให้ความ ความตายหรือความพิกาพิการมันเกิดจากหมอละเลยไม่เอาใจใส่หรือว่าพูง่าคือทำงานช่วยๆนะมันก็เลยมีความไม่พอใจเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและถ้าะเมื่อรู้ว่าลูกหลานตัวเองตายพิการก็กดแค้นมีการฟ้องร้องกัน เรื่องราวนี้ก็ทำให้หมอจานวนมากที่เขาตั้งใจดีเนี่ยเสียความรู้สึกแล้วท้อเพราะหลายกรณีก็คนไข้ก็เป็นโรคที่มันรักษาได้ยากสุดวิสัยอย่ามีรายหนึ่งไปไปคลอดนะคลอดก็ปกติดีแต่จู่ๆพอคลอดเสร็จหรือก่อนคลอดมั้ง คนไข้เกิดตัวเขียวขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรสุดท้ายคนไข้ก็ตายทหลองพวกคนไข้เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดซึ่งมันมันเป็นน้อยมากนะอาจะเรียกว่าหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านนะที่เป็นแต่ญาตินิยมรับไม่ได้นะผัวยอมรับไม่ได้ก็ ก็เข้าใจหมอนี่เลิเลอก็ฟ้องแต่หมอที่ทํางานหมอที่ถูกฟ้องก็เป็นคนที่ทํางานหนักนทํางานหนักทํางานเรียกว่าเสียสละเจอวันนี้เขาก็าเสียความรู้สึกยังหมอคนที่อยู่โรงพยาบาลเลยที่ถูกฟ้องแล้วก็เป็คนที่น่ายกบดีหมอดีนะหมอตั้งใจ หมอคนที่สองที่ไปดูเอ็กซเรย์นี่ก็ก็เป็นหมอดีเพื่อนก็รู้จักด้วยนะเป็นรู้จักเป็นหมอที่ตั้งใจทำงานนะก็เสียความรู้สึกเหมือนกันถูกฟ้องแล้วโดนปรับอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะก็มีหมอปรึกษาเรื่องนี้ก็ก็ ก็พยายามที่จะวิคราะห์าจริงเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของระบบด้วยระบบสาธารณสุขในเมืองไทยเนี่ยมันมันมีปัญหามันเน้นในเชิงตั้งรับไม่ได้เน้นในเชิงรูปเชิงรูปคือว่าพยายามทำให้ชาวบ้านมีความรู้เพื่อจะป้องกัน รูจักดูแลตัวเองงั้นถ้าดูแลตัวเองได้มันก็ไม่เป็นโรคแต่ถ้าไม่ดูไม่ดูแลตัวเองมันก็พอป่วยขึ้นมาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องเชิงรัฐเนี่ยพอคนมาโรงพยาบาลมากๆหมอก็รับไม่ไหวเพราะว่าคนไข้มันเยอะ วันหนึ่งคนไข้นอกนี่เป็นร้อยๆหมอมีเวลาดูคนไข้แค่สองสามนาทีคนไข้นอกคนไข่ในก็มีเวลาดูแลไม่มากไม่ถึงสิบนาทีหมอคนหนึ่งก็ราวออกราวคนไข้เป็นร้อยคนไข้ในนะย ไ, นนยไอปริมาณภาระที่เยอะมันก็หมายความว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะหมอมีเวลาดูแลน้อย อันนี้มันก็ไม่เป็นความผิดภาคของหมอที่เดียวเป็นเป็นเพราะว่าระบบมันทำให้หมอนี่ไม่สามารถจะดูแลคนไข้ได้ทั่วถึงแล้วก็ได้อย่างรอบคอบหรือว่าพินิจพิเคราะห์หรือพิถีพิถันแต่เดียวกั น, นการที่คนไข้มีเยอะ หมอมีเวลาน้อยความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับหมอก็แย่ลงรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างญาติกับหมอก็ไม่ค่อยดีหมองุนหงิดอารมณ์เสียบางทีก็พูดระบายอารมณ์ใส่คนไข้ใส่ญาติญาติก็ไม่พอใจแต่ถ้าคนไข้หายก็แล้วไปแต่ถ้าคนไข้ไม่หายหรือเกิดตายขึ้นมาหรือพิการไอความไม่พอใจที่มีอยู่แล้วนนในตัวหมอก็จะ แสดงออกด้วยการฟ้องเหมือนกับเป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงงานลรัดมากมายตอนที่ไปบรรยายเนี่ยก็มีมีการให้ช่วงเวลาถามก็มีเพื่อนหนึงเป็นหมอก็เป็นหมอที่ดีมากหมอผ่าตัดทำงานเรียกว่าหามรุ่มหางคำ่ำ บางทีพ่าคนไข้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่สาสิบชั่วโมงเลยเลยเพอช่วงสงกรานไม่ต้องนอนกันแล้วแล้วก็อึดมากคือผู้หญิงแต่อึดมากพ่าเนี่ยสาสิบชั่วโมงไม่ไม่ได้หยุดเลยนี่แล้วก็ไม่มีปฏิเสธมีคนไข้เมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะออกมามา มาผ่าคนไข้แล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจในการรักษาแล้วแต่ก่อนเนี่ยมีคนไข้มาก็ก็ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเราคิดว่าเนี่ยวิธีการรักษาของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วไว้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาแน มันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วตัวเองเกิดและวิธีการตัวมันไม่ดีเท่าเนี่ยแล้วเกิดคนไข้มีปัญหาขึ้นมาก็จะเดือดร้อนเกิดความประมาะเกิดความกลัวเกิดความเกิดความวิตกขึ้นมา แต่ก่อนเวลาผ่านี่ไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบนี้เพราะว่ามั่นใจว่าเนี่ยไอ้วิธีการตัวเงเนี่ยหรือการวิจัยตัวเองดีแล้วเขาคงไอ้ความกลัวส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากกลัวว่าจะถูกฟ้องนั่นเองเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยตอนหลังนอกจาก ในด้านนึ่งก็เกิดความกลัวเกิดกวามวิตกกเวลารักษาเวลาจะผ่าอีกด้านหนึ่งก็ทําให้ลังรอแล้วไม่กล้าลงมือต้องไปขอความเห็นจากหมอผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะอยู่ที่ขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ทําให้การรักษาไม่สามารถจะทําได้ทันทีทันควัน응วก็ไม่แน่ใจว่า จะทํายังไงดีจะลงมือไปเลยหรือว่ารอความเห็นหรือคํามนิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันว่าไอ้ที่เขาวินิจฉัยนั้นมันถูกต้องแล้วนะก็แนะนําเข้าไปนะว่าเนี่ยการทําแล้วก็ตามเนี่ยถ้าทําด้วยความเกรงหรือทําด้วยความวิตกแล้วเนี่ย มันยิ่งทำให้ทำได้ไม่ดีเหมือนกับไปเรียนหนังสือเข้าห้องสอบเนี่ยถ้ากลัวว่าจะสอบตกเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกเลยนะหรือถ้ากลัวว่าจะได้คะแนนไม่ดีเนี่ยมันทำให้เกรงพอเกรงแล้วเนี่ยความคิดสติปัญญามันก็มันก็ถูกจากัดมันไม่ออกมาเหมือนันักกีฬานักกีฬาถ้ามันเกรงเมื่อไหร่นะ เตะลูกบอล น, นาจุดโทษเนี่ยถ้าเกรงกลัวว่าไม่เข้ากลัวว่าเตะไม่เข้าแล้วแฟนบอลจะโห่ทีมจะแพ้ตกรอบหรือว่าไม่ได้แชมป์ก็มีเปอร์เซนต์นที่จะเตะไม่เข้าไอ้ไอเวลาแต่พวกวูกบอลให้เข้านี่มันไม่ใช่เรื่องฝีมือเลยมันเรื่องของจิตใจด้วยใจมันต้องวางใจมันต้องผ่อนคลายแล้วก็ความสามารถทักษะที่มีมันถึงจะออกมาได้เต็มที่ ที่จริงมันมีนักกีฬายเยอะนะที่จวนเจนจะชนะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นเทนนิสไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลเนี่ยดํานํามาตลอดเลยนะอีกขะแนนสองคะแนนเท่านั้นแหละอีกลูกสองลูกก็จะชนะแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดอาการที่เขาเรียกว่าโชคนะโชคคือมันเกิดเปลงขึ้นมามันจะมันจะชนะอยู่แล้ว เกิดประมาขึ้นมา น, นี้มันเลยเล่นไม่ออกเลยทำให้คูดต่อสู้เนี่ยจึงถูกทิ้งห่างไปไกลแล้วนี่ค่อยๆก็ค่อยตีตื้นขึ้นมาเรื่อยตีตื้นขึ้นมาเรืเ่อยๆจนชนะนะเกิปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทนั่วไปก็ความประมานี่ก็แน่ว่าเนี่ยอย่าไปอย่าไปกังวลนะ ถ้าลงมือเมื่อไหร่ถ้าลงมือผามเมื่อไหร่ก็ต้องวางทุกอย่างนะไม่ต้องไปคิดถึงผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ก่อนที่จะลงมือเนาะคิดใข้ควรให้ดีพอลงมือแล้วก็ไม่ก็ลืมทุกอย่างอยู่กับคนไข้ยอย่างเดียวที่จริงตอนนั้นมีเวลาไม่มากนะมันก็ใกล้จบแล้วมีอันหนึ่งที่อยากจะบอกเขาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่า จะพูดดีหรือเปล่าคืออยากจะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเราเป็นหมอเนี่ยหรือว่าอยู่ในสาการเดียวเขาเนี่ยแม้แม้มีโอกาสที่จะถูกฟ้องก็ไม่สนใจนก็จะทำนะถ้ า, าว่าคลิตคนไข้เนี่ยมันอยู่ในภาวะน้าสิ้หน้าขวาน มันต้องลงมือแล้วก็ต้องช่วยเขาละจะถูกฟ้องหรือไม่นั่นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือถึงแม้ช่วยเขาไปแล้วนะเราก็ทำเต็มที่แล้วด้วยความปรารถนาดีแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมามนนก็มันเป็นโรคพิเศษมันเป็นโรคมันมีเหตุวิสัยเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วถูกฟ้องก็ก็ยอม อันนี้ไม่ได้พูดนะเพราะว่าไอ้เราก็ <c oughs> เราพูดจากสมมติฐานแต่อบอกเขาว่าเนี่ยทําอะไรก็ต้องมีทําแล้วก็ตามมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแม้กระทั่งการทําความดีการทําความดีเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าทาดีที่ไม่มีความเสี่ยงเลยมันก็น้อยนะ ในเมื่อทําอะไรก็ตามก็มีความเสี่ยงแม้กรทังการทำความดีเนี่ยอถ้าเราเห็นว่าการทําดีของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วเราไม่ทํามันก็คงจะยากขณะทําธุรกิจเนี่ยทําธุรกิจก็มีความเสี่ยงและมีความเสี่ยงสูงมากหลายคนก็ยังกล้าทําเลยทั้งทั้งที่ความเสี่ยงมันอาจจะ มากมายถึงขั้นล้มละลายหรือว่าเป็นนี้เป็นศินเราก็เห็นคนจำนวนมากเนี่ยพร้อมที่จะเสี่ยงนะหรือแม้แต่การเที่ยวนะการการเที่ยวการเล่นเล่นการประตนภัยเช่นปีนเขานะมันก็เสียงมากเสี่ยงแรงก็ยังมีคนทำนะลาสก็ปีนเขาไปคนไทยก็หมอฟันก็ปีนเขาไปถึงยอดเอเวอเรส เสียงสูงมากถึงตายได้คนจานวนมากเนี่ยนะแม้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการการทาความดีนะแต่เป็นเรื่องการหาประโยชน์ส่วนตัวเช่นทำการค่าเพื่อได้มีกำไรหรือว่าปีนเขาเพื่อความตื่นเต้นก็ยังกล้าเสี่ยงทำไม การทำความดีเพื่อช่วยชีวิตคนเราจรึงจะไม่กล้าเสี่ยงมั้งเนี่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรถึงขั้นเสียชีวิตไม่ถึงตัวคนทำนะหรือว่าติดคุกติดตารางแต่นี่เราพูดไปก็ไม่ถูกนะมันก็เป็นแค่ว่าเป็นความคิดเป็นวิธีคิดของเราว่าเมื่อทำความดีนี่ก็ แม้เสี่ยงก็ก็ควรทำนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ที่ไม่เสี่ยงนะทำธุรกิจก็ยังเสี่ยงนะเล่นกีฬาก็ยังเสี่ยงแต่เราก็เห็นคนก็ทำก็ยังทำสิ่งเหล่านั้นทนั้งที่รู้ว่าเสี่ยงก็ยังทำาอนี่ต้องเป็นเป็นหลักคิดนะว่าการทาความดีเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทำความดีต่อเมื่อไม่เสี่ยงเนี่ยมันก็คงจะยากนะ เพราะว่าอย่างที่บอกทำอะไรก็เสี่ยงทั้งนั้นมีแต่ว่าเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยยิ่งถ้าเป็นเรื่องการช่วยช่วยผู้คนแล้วนี่ก็มันก็ก็สมควรที่จะเสี่ยงนะแต่นี่มันก็เป็นเรื่องของเป็นเหตุผลส่วนตัวเป็นเรื่องของหลักคิดส่วนตัวจะไปบอกจะไปพูดให้คนื่นทำอย่างนั้นก็ก็กระไรอยูนะ่ก็ได้แต่บอกเขาว่าเนี่ย ทำอะไรก็อย่าไปกังวลอย่าไปเกรงอย่าไปประมาทให้อยู่กับปัจจุบั น, นก็พูดเข้าไปพูดถึงเรื่องของระบบนะที่เป็นอยู่เนยระบบนี้มันทำให้คนไข้กับหมอตอนนี้กลายเป็นปรปักกันมากขึ้นแต่ก่อนระบบนี้มันเป็นมันเป็นการมันมันค่อๆข่าส่งเสริมให้คนไข้กับหมอนี่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ตอนนี้ระบบนี้มันทำให้สองฝ่ายเป็นเป็นเกิดช่องว่างเป็นเป็ น, ป, น, ป, นปฏิปักษ์กันมากขึ้นคนไข้หมอก็หลายคนก็หาประโยชน์จากคนไข้หรือว่ามองว่าคนไข้เป็นภาระเวลาหมอเห็นคนไข้ามาโรงพยาบาลก็รู้สึกรู้สึกหนักใจนะเป็นภาระ แต่ถ้าหมอที่คลินิกนี่เห็นคนไข้ก็จะรู้สึกดีนะหมอขอที่คลินิกเห็นคนไข้ก็ดีใจเพราะว่าหมายถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่หมอโรงพยาบาลของร้านี่เห็นคนไข้รู้สึกหนักใจรู้สึกหนุดหนิดเพราะว่ามันเยอะมากเยอะมากจนไม่มีเวลากินข้าวกลางวันไม่มีเวลาได้หลับได้นอน อันนี้มันถ้าไม่แก้ที่ระบบเนี่ยมันก็ก็จะเกิดปัญห า, านี้เรื่อยไปแล้วนะปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้ระบบแย่ลงด้วยเดีย๋ยวนี้หมอก็หมอไทยก็จะเป็นเหมือนกับหมอฝรั่งคือหาทางป้องกันตัวเองเวลาจะวินิจฉัยนี่ก็คือความชัวก็จะให้คนไท้ไปตรวจนู่นตรวจนี่ไปเจาะเลือดไปเอ็กซเรย์ไ ป, LA, ไปสกแกนนะจะไม่กลารวินิจฉัยเอง เพราะว่าวินิจัยเองเกิดผิดขึ้นมาซวยก็ต้องไปให้มีการไปเจาะเลือดไปหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนจะได้มั่นใจว่าวินิจัยไม่พลาดก็กลายเป็นเรื่องว่าเตะลูกออกทุกคนก็เตะลูกออกหมดรอนโรงพยาบาลน้ำเผอว่าเตะลูกนะไปที่โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัดก็ส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ก็ส่งไขไปศิลิลาต่างคนต่างแทนเตะลูกออกนอกตัวเพราะว่ากลัวว่ามีคนไข้อยู่ในมือแล้วถ้าเป็นคน ย, ยากๆนี่จะเกิดเป็นไปแล้วที่มาถูกฟ้องสุดท้ายคนไข้นี่ไงลาบากนะเพราะว่าถูกไม่รับการรักษาทัทีนะ ไปลุหามเพอไม่พอไปจังหวัดไปจังหวัดพอไปศูนย์ไปศูนย์ไม่พอเข้ากรุงเทพเลยสิริรารับเละ น, นะตอนนี้สิรลราชก็ลา ม, มาก็รับเละคนไข้แอร์เนือเต็ไมไปหมดเรียกว่าต่างคนต่างโยนกองกันเพื่อปกป้องตัวเองอันนี้ก็ยิงทำให้เกิดความผิดพารมากขึ้นโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลใหญ่ คนก็กลัวถูกฟ้องถูกฟ้องทำไมก็ลาออกไปอยู่โรงงานรัฐอยู่โรงงานเอกชนหมอน้อยลงคนไข้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้คนหมอที่เหลือก็ซวยหนักกเ็เลย่ก็ไม่รู้จะมีใครคิดแก้ปัญหาเหล่านี้นะเป็นเรื่องเป็นราครับอัน น, น, นี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะแต่สู้ก็คือว่าเรื่องการแต่จาวัานนี้เรื่องการทำความดีมันก็มีเสียงเช่น ดูที่ว่าเราจ ะ, าจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่านะถ้าหาว่าเรานึกถึงทุกเรานึกถึงคนทุกคนยากนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองมัน ก, ก็พร้อมที่จะทำํำแต่ถ้าเรานึกถึงตัวเองมากเราก็ไม่กล้าแต่เวลาคนทําธุรกิจเนี่ยอย่างที่บอกนะแม้เสี่ยงไงก็สู้เล่นกีฬาแม้แม้เสี่ยงถึงตายไงก็ยังเอาแล้วทำไมาการช่วยคนเสี่ยงเราจึงไม่กล้าเสี่ยงบ้าง 不然เนี่ยจับเขาั